เต่าเป็นสัตว์สีเท้าสะเทินน้ำสะเทินบกมีหลายชนิดด้วยกันนะคะนับตั้งแต่เต่าน้ำเค็มที่มีชื่อว่าเต่าตนุรวมไปจนถึงเต่าเหลืองเต่านาซึ่งก็อาศัยอยู่ในน้ำจืดแล้วก็ตามป่าดงพงไพรนะคะเต่าทุกชนิดมีลักษณะพิเศษเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมีกระดองเป็นลักษณะที่เป็นกระดูกครอบคลุมร่างกายแล้วก็ขาสั้นเดินตุ้มเตี้ยมน่ารักค่ะไม่มีอาวุธไม่มีพิษสงในการต่อสู้ มีแต่หดหัวหดขาเข้ากระดองเมื่อมีภัยมาถึงตัวเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าเต่ามีบทบาทสําคัญหลายเรื่องด้วยกันเช่นพัทธะกับอันเป็นกับในปัจจุบันนี้ท่านกล่าวว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึง5องค์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ที่สนะคะที่มีนามว่ากัสปะพุทธะซึ่งก็มีประวัติสืบเนื่องมาจากเต่าทั้งในนิทานชาดกก็มีเรื่องเต่าอยู่หลายเรื่องด้วยกัน เมื่อเต่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชาวพุทธตั้งแต่โบราณค่ะก็เลยห้ามลูกห้ามหลานไม่ให้ฆ่าเต่าแม้จะกินเพื่อเป็นอาหารท่านก็ไม่ยอมนะคะโดยกล่าวว่าการฆ่าเต่านั้นเป็นบาปหนักลูกหลานในสมัยนั้นจึงละเว้นไม่เบียดเบียนทำร้ายเต่าเพราะว่าเกรงกลัวบาปกรรมจะตามทันนั่นเองค่ะแม้ว่าในปัจจุบันนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากที่ยังกลัวบาปกรรมที่ทำกับเต่าเขาเหล่านั้นก็ยกเว้นจากการฆ่าโดยเด็ดขาดตลอดจนกระทั่งเนื้อเต่าก็ไม่บริโภคและเมื่อเห็นว่าใครจับเต่ามา ก, ากักขังก็จะซื้อเอาไปปล่อยตามสระตามหนองหรือว่าจะเป็นคลองเป็นบึงซึ่งก็ถือว่าการปล่อยเต่าเป็นสิ่งที่ได้บุญมากค่ะโดยถือเอาว่าการปล่อยเต่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรทานองนั้น จากที่ชาวพุทธถือว่าการเอาเต่าไปปล่อยเป็นกุศลกรรมนั้นนะคะก็มีบุคคลหลายคนค่ะคิดค้าเต่าเป็นอาชีพโดยวิธีหาเต่าทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนำออกมาวางขายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลหลักเมืองหรือว่าตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ดูเหมือนว่าการค้าเต่าในลักษณะดังกล่าวจะมีลูกค้ามาอุดหนุนมากพอสมควรทีเดียว คนที่มุ่งหวังบุญกุศลในการปล่อยเต่าเพื่อเสด็เคราะห์หรือว่าจะเป็นการต่ออายุนั้นนะคะหลังจากหาซื้อเต่าแล้วก็นำไปปล่อยลงน้ำตามที่เขาจัดไว้บางก็ปล่อยลงในสระวัดบางก็ปล่อยลงตามแม่น้ำลำคลองที่ปล่อยลงแม่น้ำลำคลองนั้นนับว่าเป็นการดีค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำที่กว้างขวางเต่าก็จะได้สแสวงหาอาหารเพื่อต่ออายุได้อย่างอิสระโดยธรรมชาติของมันเพระาะทับปล่อยในที่จากัดไว้ เต่าจะมีเสรีภาพเพียงครู่เดียวเท่านั้นเองคนขายเขาก็จะจับมันมาเพื่อนำมาขายต่อให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องในการที่นำเต่าไปปล่อยในสระวัดที่มีบริเวณคับแคบเช่นที่วัดเบนจมาศบพิษวัดประยุรวงศาวาสเต่าก็จะว่ายวนเวียนอยู่ในสระอย่างแออัดอาหารการกินก็ขาดแคลนแล้วก็ทาให้เกิดน้าเน่าเสียเต่าทั้งหลายก็พากันล้มหายตายจากไปสส่วนมาก ท่านปัญญานันทภิกขุค่ะถึงต้องออกมาร้องขอในสถานีโทรทัศน์ช่อง7นะคะรายการทางสงบว่าอย่านําเต่าไปปล่อยในที่แห่งนั้นเลยเพราะว่าเป็นการกักกันสัตว์ให้อยู่ในที่แคบแล้วก็เป็นการทรมานสัตว์โดยใช่เหตุแม้กระนั้นนะคะก็ยังมีคนอีกไม่น้อยยังคงนําเต่าไปปล่อยอยู่เสมอทางนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นมองไม่เห็นทางที่จะนําเต่าไปปล่อย แล้วก็คิดว่ามันคงจะปลอดภัยกว่าในการปล่อยในวัดนะคะซึ่งก็เป็นเขตอภัยฐานซึ่งตนเองไปมาสะดวกไม่ได้คำนึงว่าปล่อยไปแล้วจะทำให้บรรดาเต่า ท, ทั้งที่อยู่เก่าแล้วก็ที่ปล่อยใหม่จะต้องอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดเราเคยไปนมัสการพระนอนที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็มีเด็กนาเต่าตัวเล็กๆมาขายแถวท่าน้า เมื่อมีคนซื้อแล้วก็ต้องปล่อยลงแม่น้ําทันทีแต่เจ้ากรรมค่ะเมื่อเต่าโผล่ลงน้ําก็ยังเห็นหัวอยู่ไวๆไม่ทันที่คนซื้อจะปล่อยคล้อยหลังไปไกลนักบรรดาเด็กขายเต่าเหล่านั้นก็กระโดดน้ําตามไล่คว้าจับเต่าซึ่งหนีตายตัวนั้นมาขายอีกจนได้ดูแล้วก็เป็นที่น่าเวทนายิ่งนักนะคะขณะที่สาธุชนพวกหนึ่งก็นิยมการซื้อเต่าปล่อยเต่าอยู่นั้นก็ยังมีบุคคลอีกพวกหนึง่งตามล่าเต่ามาเป็นอาหาร โดยพวกเขาเหล่านั้นค่ะก็ต้องคุยโวโอออวดบอกว่าเนื้อเต่านั้นมีรสชาติโอชายิ่งนักหากว่าใครได้ลิ้มรสแล้วจะต้องลืมไม่ลงทีเดียววิธีสร้างบาปของคนเหล่านั้นเขาจะตามล่าเต่าด้วยวิธีแปลกๆแตกต่างกันไปค่ะเช่นค้นหาตามห้วยหนองคลองบึงใช้ลอบใช้ไสดักวางเบ็ดบ้างจุดไฟเผาป่าให้เต่าหนีตายออกมาบ้างใช้สุนัขที่ฝึกไว้อย่างดีจับบ้างนะคะ อันสุนักที่ฝึกไว้หาเต่านั้นก็ช่างมีความสามารถพิเศษเหลือเกินคือเมื่อมันเข้าป่าเห็นเต่าคลานอยู่สุนักมันก็จะเอาจมูกงัดเต่าให้หงายท้องแล้วมันก็จะเห่าเรียกเจ้าของเจ้าของก็จะมาจับเต่าเอาไปเป็นอาหารอย่างสบายใจละค่ะก็เพราะว่าเต่านั้นเมื่อหงายท้องแล้วร้อยทั้งร้อยนะคุณผู้ฟังไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวเองให้พลิกคว่ำหนีภัยได้ทันในขณะถูกล่าแบบนี้ก็เลยมีแต่นอนหงายท้องนอนรอความตายกับตายลูกเดียว เรื่องต่อไปนี้บีนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตามคําบอกเล่าของผู้ที่ฝากใฝ่ในธรรมท่านหนึ่งซึ่งพอจะเอ่ยนามท่านได้ค่ะท่านผู้นี้ก็คือคุณบุญจันทร์นุตราวงทํางานอยู่ที่กองโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนชื่อแล้วก็นามของผู้สร้างกรรมนั้นเป็นชื่อแล้วก็นามโดยสมมุติละกันนะคะแต่ว่ารับรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง อันเป็นกฎแห่งกรรมที่ควรนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดฮิริโอตับปะแก่นักกินไม่เลือกทั้งหลายในเรื่องของการกินวิตฐานของมนุษย์นั้นนับว่ามีแปลกๆพิสดารมากมายยิ่งนักจนบางครั้งฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อค่ะเช่นกินมันสมองลิงดูเขาบรรยายแล้วโอ้มันน่าสะอิดสะเอียนขยะขยงจนกินไม่ลงแต่ว่าก็ยังมีมนุษย์บางจาพวก กินทุกอย่างค่ะเรียกว่ากินได้อย่างน่าชื่นตาบานเลยทีเดียวเขาเล่านะคะว่าคนที่จะกินมันสมองลิงเนี่ยต้องนั่งล้อมโตเป็นวงเจาะรูตรงกลางพอให้เหมาะกับหัวลิงแล้วก็เอาไม้ขนาบคอลิงไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวใช้มีดคมๆตัดหัวลิงเป็นเป็นเปิดให้เห็นมันสมองแล้วก็ใช้ช้อนตักมันสมองลิงกินอย่างอรอร่อย เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบนะคะเพราะว่าเคยอ่านพบในหนังสือประเภทพวกมหัศจรรย์ทั้งหลายพวกเราชาวพุทธที่ยังกลัวบาปกลัวกรรมก็คงกินไม่ลงกันแน่ๆเลยนะคะส่วนเรื่องการกินเต่านั้นก็มีผู้ที่คิดค้นวิธีฆ่าเต่าในรูปแบบต่างๆเพราะว่าเต่านี่มีกระดองหุ้มเนื้ออยู่เป็นสัตว์ตายยากซะด้วยนะักกินเต่าก็เลยคิดวิธีฆ่าเต่าให้ตายสนิทครั้นจะใช้ค้อนทุบหัวมันก็หดหัวลีัยเข้ากระดองค่ะ พอจะเอามีดแหลมแทงตามเขาไปมันก็มีเพียงเลือดสาดออกมาอย่างเดียวก็ไม่ถึงกับตายนะคะนักกินเต่าส่วนใหญ่ก็เลยจับเต่าง่ายขึ้นแล้วก็ใช้หัวขวานทุบหน้าอกของมันแต่มันก็ยังไม่ตายนะคะเขาก็เลยจับเต่ายกขึ้นเอาก้นเต่ากระแทกกับพื้นแข็งวิธีนี้ตายเหมือนกันแต่ว่าไม่นิ่มนวลเลือดทะลักออกปากออกจมูกก็หมดโอชะ วิธีที่ดีที่สุดของเขาก็คือเอาเต่าไปเผาไฟค่ะโดยวิธีก่อไฟให้ลุกชนแล้วก็จับเต่าไง่ท้องบนกองไฟเต่ามันก็จะดิ้นกระเสือกกระสนเพราะว่าความร้อนประมาณ10นาทีก็ขาดใจตายวิธีนี้กล่าวกันนะคะว่าเลือดฝาดของเต่าอยู่ครบบริบูรณ์ในร่างกายรับรองเลยนะคะว่ามีรสโอชาเหลือหลายแน่เที่ยวคุณประสงค์ เป็นคนมีพื้นเพเดิมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทำงานอยู่ที่กองโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นตำแหน่งเสมียนอายุอานามก็ไม่น่าจะเกิน35ปีนะคะโดยคุณประสงค์แกชอบกินเนื้อเต่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเต่าเล็กเต่ายญ่แกกินหมดแม้แต่เต่าที่เขาเอามาขายเพื่อให้คนเอาไปปล่อยเสดเคอร้ต่ออายุแกก็ซื้อมากินค่ะนับว่าเต่าเนี่ยเป็นอาหารปโปรดของแกทีเดียว แล้วก็ในสัปดาห์หนึ่งจะต้องมีอาหารประเภทเนื้อเต่าถึง3วันเลยนะคะคุณประสงค์คงจะมีความรู้รลักานในการฆ่าเต่าจากพื้นเพเดิมแกก็ใช้วิธีเผาเต่าเป็นเป็นชนิดที่ว่าเผาเกันสดๆเลยทีเดียวลูกเมียเพื่อนฝูงใกล้เคียงเห็นการกระทำทารุณกรรมเช่นนั้นก็ต่างหวาดหวั่นกันไปตามๆกันก็ได้พากันห้ามปรามเพราะว่าสังเวชใจแต่ว่าคุณประสงค์แกก็ไม่ยี่งละแม้แต่น้อยแกก็พูดแกมยิ้มยิ้มบอกว่า ก็มันเป็นอาหารของเราบาปกรรมมันไม่เกี่ยวจากการทรมานที่ชวนให้สองเวตนี้นะคะลูกเมียเพื่อนฝูงต่างพากันเบนหน้าหนีไม่มีใครกล้าแตะต้องเนื้อเต่าเลยแม้แต่น้อยซึ่งการที่คนอื่นไม่กินด้วยดูคุณประสงค์แกจะพอใจมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าแกจะได้กินคนเดียวโดยไม่ต้องให้คนอื่นมายื้อแย่งของโปรดของแกคุณบุญจันทร์เล่าให้ฟังถึงสภาพของเต่าที่ถูกไฟเผาบอกว่า เต่าที่นอนหงายท้องอยู่บนขาเหล็กเหนือเต่าไฟนั้นมันก็จะดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าเวทนาเต่าทั้งที่มันอยู่บนกองไฟเนี่ยมันก็จะเอาเท้าทั้งสี่ยคว้ า, าน้ำตามันก็จะไหลนองจนกระทั่งสิ้นเรี่ยวแรงแล้วก็ทนไม่ไหวถึงกับขาดใจตายนะคะเมื่อเต่าตายหมดแล้วคุณประสงค์ก็จะเอามีดแหลมค่อยๆแคะกระดองส่วนนอกออกมองเห็นหัวใจของเต่ายังเต้นตุ๊บๆอยู่ แล้วก็เจอปลายมีดกรีดตรงหัวใจเต่าแล้วก็เริ่มชำละเนื้อเป็นชิ้นๆ ช, ชำระล้างเครื่องในให้สะอาดส่วนเนื้อนะ่ะไม่ต้องล้างเอามาคลุกเคล้ากับเลือดให้เข้ากันแล้วก็นำพริกแกงที่เผ็ดๆปรุงไว้เรียบร้อยคลุกลงไปขยาให้เข้ากันส่วนวิธีหุงต้มแกงเต่าของแกก็ใช้กระดองเต่านั่นแหละค่ะเป็นภาชนะ ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆใส่น้ำนิดหน่อยพอคลุกคลิกพอกระดองเต่าไหม้ไฟแกงเต่าก็สุกพอดีแล้วก็ยกลงไม่ต้องให้เปลืองถ้วยชามก็เอาช้อนตักกินได้ทันทีแต่ว่าก่อนที่คุณประสงค์จะกินแกก็จะบรรจงดื่มเหล้าขาว40ดีกรีสักแก้ว2แก้วก่อนนะคะเพื่อเรียกน้ำย่อยให้เกิดโอชารสคุณประสงค์ก็มีภาระจองเวรอยู่กับเต่าประมาณ5ปี อายุแกก็ใกล้จะ40เข้าไปแล้วล่ะค่ะแกก็เริ่มป่วยโรคที่เกิดกับคุณประสงค์ก็คืออาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ร้อนในท้องมันเจ็บมากแล้วก็ร้อนมากทีเดียวแม้ว่าจะกินยาใดๆในโลคนี้ก็ตามโรคนั้นก็ไม่หายนะคะกลับยิ่งร้อนยิ่งเจ็บหนักลงไปอีกผลสุดท้ายคุณประสงค์ก็ต้องนอนที่โรงพยาบาลหมอได้ประครบประงมเยียวยาคุณประสงค์เป็นอย่างดีแต่ว่าอาการของแกก็มีแต่ทรงกับสุดเท่านั้น อาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับคุณประสงค์ที่อาจจะเรียกได้ว่ากรรมสนองก็คืออาการร้อนในน้อกซึ่งแกมักจะเป็นตอนใบ่า ย, ายดิ้นทุรน ท, ทุรายมืองหงิกเท้างอแล้วก็พลิกลงจากเตียงคว่ำหน้ากระเสือกกระสนเอาอกไปถู ก, กับพื้นซีเมนจนถลอกปอกเปิกเป็นแผลเลือดไหลออกมาเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะพยาบาลต้องคอยช่วยกันจับแกขึ้นเตียงแล้วก็ให้ยาระ ง, งับแกถึงสงบไปได้ พอหมดฤทธิ์ยากแก่ก็มีอาการร้อนอย่างเดิมแล้วก็ร้องโอดครวรเป็นที่น่าสังเวชใจนะคะคนเราเมื่อใกล้จะตายก็มักจะนึกถึงกรรมที่ทำเอาไว้จะเป็นกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีก็นึกได้เสมอแต่ส่วนมากนะคะกรรมชั่วจะปิดกั้นกรรมดีซะหมดคุณประสงค์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน วันนั้นนะคะคุณประสงค์แกนอนอยู่บนเตียงคนไข้แกยังมีสติดีพูดคุยกับญาติมิตรที่ไปเยี่ยมได้เป็นอย่างดีแกบอกกับคนที่ไปเยี่ยมทั้งหลายบอกว่าโรคของแกเนี่ยเป็นโรคกรรมที่เคยทำกับเต่าเต่าที่แกเคยเอามาเผาไฟนั้นเนี่ยมันก็คงจะร้อนดิ้นทุรนทุรายเหมือนกันกับแกแกก็เลยต้องใช้เวรกรรมเหล่านี้นะคะ ซึ่งเวลาบ่ายของวันนั้นเองคุณประสงค์ก็ทุรนทุรายเพราะว่าร้อนในอกแกนอนหงายยกมือยกเท้าหลับตาร้องโวยวายบอกว่ายายายาพร้อมกันนั้นน้ำตาแกก็รินไหลออกมาแกพลิกหนีมือหมอแล้วก็พยาบาลหล่นตุ๊บลงมาจากเตียงค่ะคว่ำหน้าน้ำลายเต็มปากแล้วก็เอาอกถูไปตามพื้นซีเมน หลายคนต้องช่วยกันจับขึ้นเตียงหมอก็จัดการให้ออกซิเจนช่วยหายใจแต่ว่าไม่ทันนะคะกับการสะดุ้งเฮือกสุดท้ายของแกมืองอเท้าหงิกปากอ้าตาเหลือกแล้วก็สงบนิ่งไปญาติพี่น้องก็จับมืองอของแกวางในท่าปกติแต่ว่ามือก็ยังแข็งไม่ค่อยจะเหยียดตรงได้อันนีจาค่ะอะไรกันนั ก, กัะหนะกับแค่การกินเพื่ อ, อยังชีพต้องทรมานทรกรรมสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจนต้องเรียกว่าเป็นการกินวิตฐานไปเลยคุณผู้ฟังฟังเอาเถอะนะคะทั้งกินสมองเลียงเออยกินปลาไหลต้มเปรตเออยงูเห่าเชื่อดเป็นๆ เ, เอาเลือดผสมเหล้าเออยมันช่างหน้าทุเรซนี่กระไรพลาญๆกันบ้างเถอะนะคะจะกินจะ ก, ก้อยอะไรก็ดูแต่พอสมควรอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้มันมากนะักดังนั้นบีขอสรุปเป็นคําปรงอนิจจังสังเวทของมหากวีเอกสุนทรพูดที่ยังใช้ได้ดีเสมอมาว่า อ น, นิจาตัวเราก็เท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะหวังว่าเรื่องนี้คงจะเตือนใจแล้วก็ตื่นสติให้คุณผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิ ก, กชนและก็ศาสนิกอื่นนะคะที่ได้ฟังได้เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมแล้วก็ลดลาวาสอกกับการสร้างเวรสร้างกรรมได้ไม่มากก็น้อยขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ